คราวนี้เป็นเวลาที่เรารบปานฟันแทงกับกิเลสอย่างสะ บ, บ้านทันแหลกไม่รีรอยอยอดหย่อนอ่อนกำลังโดยเอาชีวิตเข้าประกันทาให้ชนะก็ยอมตายกับความเพียรโดยถ่ายเดียวไม่ยอมถอยหลังพังทลายให้กิเลสเพลา ะ, ะ, ะเยะเยะ้ยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอับอายไปนานถ้าชนะเราก็ครองอิสระอย่างสมบูรณ์ไปตลอดกาลทางเดินของเรามีทางเดียวเท่านี้คือต้องสู้จนถึงตายกับความเพียรเพื่อชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีทางอื่นเป็นทางออกตัวเหล่านี้เป็นโอวาทที่ท่านพัฒนสอนตัวเองให้เกิดความกล้าหาญเพื่อใชยชนะอันเป็นความสมหวังรังใจหมายต่อไปก็เป็นประโยคแห่งความเพียรที่ดำเนินตามกฎข้อบังคับแบบตายตัวทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นนอกนั้นเป็นความเพียรไปตลอดสายสติกับปัญญาหมุนรอบความสัมผัสภ า, ภายนอกและความคิดภายใน มีสติกับปัญญาเป็นผู้วินิจฉัยใต่สวนเรื่องที่เกิดกับใจไม่ยอมให้ผ่านไปได้เพราะสติปัญญาขั้นนี้เป็นธรรมจักหมุนรอบตัวอยู่ตลอดเวลาไม่นิยมอิริยาบทท่านเล่าความเพียรตอนนี้ผู้ฟังทั้งหลายต่างนั่งตัวแข็งเหมือนไม่มีลมหายใจไปตามกันพราเกิดความอัศจรรย์ในธรรมท่านอย่างสุดขีดเหมือนท่านเปิดประตูพระนิพพานออกให้ดูทั้งที่ไม่เคยรู้ว่าพระนิพพานเป็นชนเลย แม้องค์ท่านเองก็ปรากฏว่ากาลังเร่งฝีเท้าเพื่อความเพียรเพื่อบรุกพระนิพพานอย่างรีบด่วนอยู่เช่นกันในขณะนั้นหากแต่ธรรมที่ท่านเล่าเพียงขั้นกำลังดำเนินนั้นเป็นธรรมที่ผู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนจะทรงตัวอยู่ไม่ได้จาต้องไหวตามด้วยความอัศจรรย์อยู่โดยดีท่านเล่าว่าจิตท่านทรงอริยธรรมขั้นสามอย่างเต็มพรมมานานแล้วแต่ไม่มีเวลาเร่งความเพียรตามใจชอบ เพราะภารากิจเกี่ยวข้องมูคณะมีมากตลอดมาพอได้โอกาสคราวไปพักที่เชียงใหม่จึงได้เร่งความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยและก็ได้อย่างใจหมายไปทุกระยะสถานที่บรรยากาศก็อำํำนวยพื้นเพกของจิตที่เป็นมาร่างเดิมก็อยู่ในขั้นเตรียมพร้อมสุขภาพทางร่างกายก็สมบูรณ์ควรแก่ความเพียรทุกๆอิริยาบถความหวังในทำขั้นสุดยอดถ้าเป็นตะวันก็กำลังทอแสงอยู่แล้วทุกขนาขิต ว่าแดนพ้นทุกข์กับเราคงเจอกันในเมชานี้ท่านเทียบจิตกับธรรมและกิเลสขั้นนี้เหมือนสุนัขกล่เนื้อตัวอ่อนกำลังเต็มที่แล้วเข้าสู่ที่จนมุมรอคอยแต่วาระสุดท้ายของเนื้อจะตกเข้าสู่ปากและบทเคี้ยวให้แหลกละเอียดอยู่เท่านั้นไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเพราะเป็นจิตที่สำปยุทธ์ด้วยมหาสติมหาปัญญาไม่มีเวลาตั้งเผลอตัวแม้ไม่ตั้งใจระวังรักษา เนื่องจากเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องไปโดยลําพังตนเองเมื่อทราบเหตุผลแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงไม่ต้องมีการบังคับบัญชาหมืนขั้นเริ่มแรกปฏิบัติว่าต้องพิจารณาสิ่งนั้นต้องปฏิบัติต่อสิ่งนี้อย่าเผลอตัวดังนี้แต่เป็นสติปัญญาที่มีเหตุมีผลอยู่กับตัวอย่างพร้อมหมุนแล้วไม่จําต้องหาเหตุหาผลหรืออบายต่างๆมาพร่ำสอนสติปัญญาขั้นนี้ให้ออกทํางาน ราะในเอริยาบททั้งสี่เว้นแต่ละเท่านั้นเป็นเวลาทํางานของสติปัญญาท่านนี้ตลอดไปไม่ขาดวักขาดตอนเหมือนน้ำซับน้ำเสริมที่ไหลรินอยู่ตลอดหน้าแรงหน้าฝนโดยถือเอาอารมณ์ที่คิดปรุงจากขิดเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเพื่อหามูลความจริงจากความคิดปรุงนั้นๆขันสี่คือนามขันได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละคือสนามรอบของสติปัญญาขั้นนี้ ส่วนรู ป, ปรขันเริ่มหมดปัญหามาแต่ปัญญาขั้นกลางที่ทําหน้าที่เพื่ออริยธรรมขั้นสามคืออนาคามีธรรมนั้นแล้วอริยธรรมขั้นสามนี้ต้องถือรู ป, ปรขันเป็นเป้เปาหมายแห่งการพิจารณาอย่างเต็มที่และละเอียดทีท้วนจนหมดทางสงสัยแล้วผ่านไปอย่างหายห่วงเมื่อถึงขั้นสุดท้ายนามขันเป็นธรรมจําเป็นที่ต้องพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งที่ปรากฏขึ้นตั้งอยู่และดับไป โดยมีอนัตตาธรรมเป็นที่รวมลงคือพิจารณาลงในความว่างเปล่าจะอักท์บุคคลหญิงชายเราเขาไม่มีคาว่าสัตว์บุคคลเป็นต้นเขาเป็นแทรกสิงอยู่ในนามธรรมเหล่านั้นเลยการเห็นนามธรรมเหล่านี้ต้องเห็นด้วยปัญญาอย่างทราบตามหลักความจริงจริงๆไม่เพียงเห็นด้วยความคาดหมายหรือคาดคะนา ด, ดาวเอ า, เอาตามนิสัยของมนุษย์ที่ชอบ ด, นดาา้นดาวมาประจาสันดาณ ความเห็นตามสัญญากับความเห็นด้วยปัญญาต่างกันอยู่มากราวฟ้ากับดินความเห็นด้วยสัญญาพาให้ผู้เห็นมีอารมณ์มากมักเสกสรรตัวว่ามีความรู้มากทั้งที่กําลังหลงมากจึงมีทิฏฐิมานะมากมายอมลงใครไ ง, ไง่ายๆเราพอทราบได้เวลาสนทนาธรรมกันในวงนักศึกษาที่ต่างรู้ด้วยความจดจําด้วยกันสมาสภาธรรมมักจะกลายเป็นสภาโมยพีปากกันอยู่เสมอ โดยไม่จำกัดชาติชั้นวรรณะและเพศวัยเลยเพราะความสำคัญตนพาให้เป็นไปจนลืมมัญญาตความครบอันดีงามต่อกันตามประเพณีของมนุษย์ผู้มีธรรมส่วนความเห็นด้วยปัญญาเป็นความเห็นซึ่งพร้อมที่จะถอดถอนความสำคัญมั่นหมายต่างๆอันเป็นตัวกิเลสทิฏฐิมานะน้อยใหญ่ออกไปโดยลำดับที่ปัญญาอย่างถึงถ้าปัญญาอย่างลงโดยทั่วถึงจริงๆกิเลสทั้งมวลก็พังทลายไปหมด ไม่มีกิเลสชนิดใดจะทนต่อสติปัญญาขั้นยอดเยี่ยมไปได้ฉะนั้นสติปัญญาจึงเป็นอาวุธชั้นนําของธรรมที่กิเลสทั้งมวลไม่หาสู้ได้ทนายเจรมาพระศาสดาได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะสติปัญญาพระสาวกได้บรรลุถึงพระอรหันต์ก็เพราะสติปัญญาความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้ถอดถอนกิเลสด้วยสัญญาความคาดหมายหรือเดาเอาเฉยๆเลยนอกจากนํามาใช้พอเป็นแนวทางในขั้นเริ่มแรกเท่านั้น แม้เฉนนั้นก็จำต้องระวังสัญญาจะแอบแฝงตัวขึ้นมาเป็นความจริงให้หลงตามอยู่ทุกระยะไม่ได้นิ่งนอนใจการประกาศพระาศาสนาเพื่อความจริงแก่โลกทั้งพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงประกาศด้วยปัญญาความรู้จริงเห็นจริงทั้งนั้นดังนั้นผู้ปฏิบัติทางกิจตะภาวนาจึงควรระวังเจ้าสัญญาจะแอบเข้าทำหน้าที่แทนปัญญาโดยรู้เอาไม้เอาเฉยแต่กิเลส แม่ตัวเดียวก็ไม่ถอดออกจากใจบ้างเลยและอาจกลายเป็นทนองว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไปไม่รอดก็ได้ทาขั้นรู้เห็นด้วยปัญญานี่แหละที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่กาลามาชนว่าไม่ให้เชื่อแบบสุ่มดาแบบคาดคะเนไม่ให้เชื่อตามตามกันมาไม่ให้เชื่อตามครูอาจารย์ที่ควรเชื่อได้เป็นต้นแต่ให้เชื่อด้วยปัญญาที่ย่างลงสู่หลักความจริงด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นความรู้ที่แน่ใจอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าและสาวกอราหาันท่านไม่ได้มีคนประกันรับรองว่าท่านได้บรรลุธรรมจริงอย่างนั้นไม่จริงอย่างนี้แต่สันติโกไม่อยู่กับทุกคนถ้าปฏิบัติตามธรรมที่แสดงไว้โดยสมควรแก่ธรรมท่านพระอาจารย์ว่านเล่าว่าปฏิบัติมาถึงขั้นนี้มีความเพลิดเพลินจนลืมเวล่เวลาลืมวันลืมคืนลืมพักผ่อนหลับนอนลืมความเหน็ดเหนื่อยเวลา จิตตั้งท่าแต่จะสู้กิเลสทุกประเภทด้วยความเพียรเพื่อถอดถอนมันพร้อมทั้งรากโดยไม่มีความสะทกสะทานวันเกรงอะไรเลยนับแต่ออกจากวัดเจดีย์หลวงไปบาเพ็ญโดยลาพังองค์เดียวด้วยเวลาเป็นของตนทุกทกระยะไม่ปล่อยให้วันคืนผ่านไปเปล่าไม่นานนักเลยก็ไปถึงเมืองใหญ่ชื่อหนองอ้อและอ้อนี้เองคือนับแต่ขณะปลีกออกไปจิตท่านเริ่มแสดงตัวอย่างพาดผนเหมือนมาอาชาใยตัวองอาจ ทั้งจะเหาะเหินเดินฟ้าทั้งจะดำดินและบินขึ้นบนอากาศทั้งจะออกรู้สิง่งต่างๆไม่มีประมาณบรรดามีอยู่ในโลกธาตุทั้งจะขุดคนหรือถอนกิเลสภายในใจให้หมดสิ้นไปประหนึ่งในอิดใจเดียวเพราะความสามารถอาฐานของสติปัญญาที่ถูกกักขังบงังคับไปด้วยภาระราเกี่ยวกับหมู่คณะเป็นเวลานานไม่ได้ออกแล่นในห้วงมหาสมุทรมหานยมเพื่อชมและเลือกเฟ้นคันกรอง ให้สติปัญญาที่แสนอยากรู้มานานคราวนั้นจึงสบโอกาสวาสนาอํานวยสติปัญญาจึงแผงลงฤทธานออกล่องหนคนดูใจโลกกระทาทั้งภายในภายนอกวิ่งออกวิ่งเข้าแหวกว่ายผุดขึ้นดำลงทั้งปลดทั้งปลงทั้งปล่อยทั้งวางทั้งตัดทั้งฟันทั้งขยี้ทำลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายอย่างสุดกาลังเหมือนปลาใหญ่สนุกแวกว่ายหัวหางกลางตัวในทะเลหลวงฉะนั้น จิตมองคืนไปข้างหลังที่ผ่านมาแล้วเห็นแต่ความตีบตันมืดมิดและเต็มไปด้วยภัยนานาชนิดสุดที่จะรังรออยู่ได้ใจสั่นเด็กริกเพื่อหาทางรอดพ้นมองไปข้างหน้าเห็นมีแต่ความสง่าผ่าเผยเวงวางสว่างสวายสุดความรู้ความเห็นที่จะพัฒ น, นาให้จบสิ้นลงได้และยากที่จะนํามาเขียนลงเพื่อท่านได้อ่านอย่างสมใจ จึงขออาภัยไว้ด้วยในตอนที่ไม่สามารถจะนำมาลงซึ่งมีอยู่มากมายตามที่ท่านเล่าให้ฟังในเวลาไม่นานนักนับแต่ท่านออกรีเฟ่งถักดวงความเพียรด้วยมหาสติมหาปัญญาซึ่งเป็นสติปัญญาธรรมจักรมนรอบตัวและรอบสิ่งเกี่ยวข้อง ม, มีประมาณตลอดเวลาในคืนวันหนึ่งเวลาเดึกสงัดท่านหนังสมาธิภาวนาอยู่ชายภูเขาที่มีหินพลานกว้างกวางและเต็มโลกอาการก็ปลอดโปรงดีท่านว่า ท่านางอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวเพียงต้นเดียวมีใบดกหนาร่มเย็นดีซึ่งในตอนกลางวันท่านก็เคยอาศัยนั่งภาวนาที่นั้นบ้างในบางวันแต่ผู้เขียนจำชื่อต้นไม้และที่อยู่ไม่ได้ว่าเป็นตำบลอำเภอและชายเขาอะไรเพราะขณะฟังท่านเล่าก็มีแต่ความเพลิดเพลินในธรรมท่านจนลืมคิดเรื่องอื่นๆไปหมดหลังจากฟังท่านผ่านไปแล้ว ก็นำทำที่ท่านเล่าให้ฟังไปบริกรรมขุ่นขุ่นกิดแต่ความอัศจรรย์แห่งธรรมนั้นถ่ายเดียวว่าตัวเรานี้จะเกิดมาเสียชาติและจะนำวาสนาแห่งความเป็นมนุษย์นี้ไปทิ้งลงในตมในโคลนที่ไหนหนอจะมีวาสนาบา ร, รมีพอมีวันโผล่หน้าขึ้นมาเห็นธรรมดวงเลิอดังท่านบ้างหรือเปล่าก็ทราบไม่ได้ดังนงี้จึงลืมจึงลืมไปเสียสิ้นไม่ได้สนใจว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องราวกับท่านในเวลาต่อไป ดังได้นำประวัติท่านมาลงอยู่ขณะนี้น้าแต่ตอนเย็นไปตลอดจนถึงยามดึกสงัดของคืนวันนั้นท่านว่าใจมีความสัมผัสรับรู้อยู่กับปัจจัการคืออวิชาปัจจาสร้างข้าราเป็นต้นเพียงอย่างเดียวทั้งเวลาเดินจงกรมทอนหัวค่าทั้งเวลานั่งเข้าที่ภาวนาจึงทำให้ท่านสนใจพิจารณาในจุดนั้นโดยมิได้สนใจกับหมดธรรมอื่นใด ตั้งหน้าพิจารณาอวิชชาอย่างเดียวแต่แรกเริ่มนั่งสมาธิภาวนาโดยอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาอยู่ภายในอันเป็นที่รวมแห่งภพชาติกิเลสตันหามีอวิชชาเป็นตัวการเริ่มแต่ยี่สิบนาฬิกาคือสองทุ่มที่ออกจากทางจงกรมแล้วเป็นต้นไปตอนนี้เป็นตอนสำคัญมากในการรบของท่านระวังมหาสติมหาปัญญาอันเป็นอาวุธคมกล้าทันสมัย กับอวิชาซึกเป็นข้าศึกที่เคยทรงความฉลาดในเชิงโลกปีกอาวุธอย่างว่องไวแล้วกลับยิงโต้อตอบให้อีกฝ่ายหนึ่งกับพ่ายแพ้ยับเยินไม่เป็นท่าและครองตำแหน่งกษัตริย์ปัตจักรบนหัวใจสัตว์โลกต่อไปตลอดอนันตกาลไม่มีใครกล้าต่อสู้ฝีมือได้แต่ขณะที่ต่อ ย, ยุดสงครามกันกับท่านพระธารมาในคืนวันนั้นประมาณเวลาราวตีสามผลปรากฏว่าฝ่าย กษัตริย์ปัตาจักถูกสังหารทำลายบลังลงอย่างพินาศขาดสูญปราศจากการต่อสู้และโลกหลีกใดๆทั้งสิ้นกลายเป็นผู้สิ้นฤทธิ์สิ้นอำนาจสิ้นความฉลาดทั้งมวลที่จะครองอำนาจอยู่ต่อไปขณะกษัตริย์อวิชาดับชาติขาดพบลงไปแล้วเพราะอาวุธสายฟ้าอันสง่าแหลมข อ, ของท่านสังหารท่านว่าขณะนั้นเหมือนโลกธาตุวันไหวเสียงเทวบุตรเทวทิดาทั่วโลกธาตุ ประกาศกล้องสาธาุการเสียงสะเทือนสะท้านไปทั่วพิภพว่าสิทธิพระสถาคตรปรากฏขึ้นในโลกอีกหนึ่งองค์แล้วพวกเราทั้งหลายมีความยินดีและเป็นสุขใจกับท่านมากแต่ชาวมนุษย์คงไม่มีโอกาสทราบอาจมัวแต่เพลิดเพลินหาความสุขทางโลกเกินขอบเขตไม่มีใครสนใจทราบว่าทำประเสริฐในดวงใจเกิดขึ้นในแดนมนุษย์เมื่อสักครู่นี้พอขณะอัศจรรย์กระเทือนโลกธาตุผ่านไป เหลือแต่วิสุทธิธรรมภายในใจอันเป็นธรรมชาติแท้ซึ่งแผร่ซ่านไปทั่วสารพางร่างกายและจิตใจแผร่กระจายไปทั่วโลกธาติตเวลานั้นทำให้ท่านเกิดความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ตัวเองมากมายจนไม่สามารถจะบอกกับใครได้ที่เคยมีเมตตาต่อโลกและสนใจจะอบรมสั่งสอนโมคณะและประชาชนมาดั้งเดิมเลยกลับกลายหายสูญไปหมดเพราะความเห็นธรรมภายในใจว่า เป็นรำละเอียดและอัศจรรย์จนสตวิสัยของมนุษย์จะรู้เห็นตามได้และเกิดความท้อใจจนกลายเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยไม่คิดจะสั่งสอนใครต่อไปในขณะนั้นคิดจะสวยทำอัศจรรย์ในถ้ำกลางโลกสมมุติแต่ผู้เดียวใจหนักไปทางรำพึงรำพันถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูทรงรู้จริงเห็นจริงและสั่งสอนเวไนเพื่อวิมุตติหลุดพ้นจริงๆ ไม่มีคำโกหกหลอกลวงแฝงอยู่ในพระโอาวาทแม้บทเดียวบาทเดียวเลยแล้วกราบไหว้บูชาพระคุณท่านไม่มีเวลาอิมพอสลอดคืนจากนั้นก็คิดเมตตาสงสารหมู่ชนเป็นกำลังที่เห็นว่าสุดวิสัยจะสั่งสอนได้โดยถือเอาความบริสุทธิ์และอัจารย์ภายในใจมาเป็นอุปสรรคว่าธรรมนี้มิใช่ธรรมของคนมีกิเลสจะครองได้ถ้าสั่งสอนใครก็เกรงจะถูกหาว่าเป็นบ้า กว่าไปหาเรื่องอะไรมาสั่งสอนกันคนดีๆมีสติสตางอยู่บ้างเขาจะไม่นาเรื่องทานองนี้มาสอนกันดังนี้กันทั่วลกจะไม่มีใครอาจรู้เห็นตามได้พอเป็นพยานให้เกิดกำลังใจในการสั่งสอนนอกจากอยู่ไปคนเดียวอย่างนี้พอถึงวันตายเท่านั้น ก, ก็พอแล้วกับความหวังที่อุตสาห์สะแสวงมาเป็นเวลานานอย่าหาเรื่องร้ายใส่ตัวเองเลยจะกลายเป็นว่าทาคุณกลับได้โทษ โปรสัตย์กลับได้บาปไ ป, ปะปล่านี่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นกับท่านขณะที่ค้นพบทมอัศจรรย์ใหม่ๆยังไม่ได้คิดอะไรให้กว้างขวางออกไปพอมีทางเชื่อมโยงถึงการอบรมสั่งสอนตามแนวศาสนธรรมที่พระศาสดาพาดำเนินมาในวาระต่อมาค่อยมีโอกาสทบทวนธรรมที่รู้เห็นและปฏิวัตาเครื่องดาเนินตลอดตัวเองที่รู้เห็นทำอยู่ขณะนั้นว่า ก็เป็นมนุษย์เดินดินกินผักกินหญ้าเหมือนโลกทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษแตกต่างกันพอจะเป็นบุคคลพิเศษสามารถอาจรู้เฉพาะผู้เดียวส่วนผู้อื่นไม่สามารถทั้งที่มีอํานาจวาสนาสามารถรู้ได้อาจมีอยู่จำนวนมากจึงเป็นความคิดเห็นที่เหยียบย่ทำทําลายอํานาจวาสนาของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะความไม่รอบครอบกว้างกวางซึ่งไม่เป็นธรรมเลยเพราะปฏิปทาเครื่องดาเนินเพื่อมักผลนิพพาน ประสาสดามิได้ประทานไวเฉพาะบุคคลเดียวแต่ประธานไว้เพื่อโลกทั้งมวลทั้งก่อนและหลังการเสด็จปรินิพานผู้ตรัสรู้มาผลิพานตามพระองค์ด้วยปฏิปทาที่ประทานไว้มีจานวนมหาศาลเหลือที่จะนับจะประมาณไม่ได้มีเฉพาะเราคนเดียวที่กำลังคิดมองข้ามโลกว่าไรสมัตภาพอยู่เวลานี้พอพิจารณาทบทวนทั้งเหตุและผล ทั้งต้นและปลายแห่งพระโอวาทที่ประกาศปฏิบัาทางดำเนินเพื่อมรรคเพื่อผลว่าเป็นธรรมสมบูรณ์สุดส่วนควรแก่สัตว์โลกทั่วไปไม่ลำเอียงกับผู้หนึ่งผู้ใดที่ปฏิบัติชอบอยู่จึงทำให้เกิดความหวังที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นขึ้นมามีความพอใจที่จะอบรมสั่งสอนแก่ผู้มาเกี่ยวข้องอาศัยเท่าที่จะสามารถทั้งสองฝ่ายแต่การแสดงธรรมผู้แสดงต้องมีความเคารพต่อธรรมไม่แสดงแก่บุคคล ไม่มีความเคารพและไม่สนใจที่จะฟังขณะฟังมีผู้ส่งเสียงอื้ออึนไม่สนใจว่าทำมีคุณค่าเพียงไรขณะนี้เป็นเวลาเช่นไรและกําลังอยู่ในสถานที่เช่นไรควรจะใช้กิริยามรญญาต์อย่างใดถึงจะเหมาะสมกับกรณีเห็นเป็นธรรมดาธรรมดาแบบโรกที่ชินชาต่อธรรมาจนจําเจชินชาต่อวัดชินชาต่อพระชินชาต่อธรรมเหมือนสิ่งธรรมดาทั่วไปอย่างนี้ก็แสดงไม่ลง เราก็เป็นโทษผู้ฟังก็ไม่ได้รับประโยชน์ที่ควรจะได้หวาจะได้ทำมาแสดงก็แทบกระอกเือดตาอยู่กลางป่ากลางกลางเขาอยู่แล้วเพราะความพยายามตะเกียกตะกายสุดกำลังแถมยังนำทำมาละลายกับน้ำในทะเลเสียอีกซึ่งมีที่ไหนท่านพากับทำกันสืบมาพอจะไม่คิดคำหนึ่งบ้างสำหรับสมณะซึ่งเป็นเพศที่ใคร่ครวญแม้แต่ขิเขายังรู้จักที่ที่ควรละลาย ทำไมิใช่กับปีจึงควรพิจารณาด้วยดีก่อนจะนำออกทำประโยชน์มิฉะนั้นจะกลายเป็นโทษโดยไม่รู้สึกและไม่มีอะไรสำคัญในโลกเลยการแสดงธรรมก็เพื่ออนุเคราะห์โลกเหมือนหมอวางยาแก่คนไข้เพื่อหายโรคและทุกขเวทนาหวังความอยู่สบายเป็นผลถ้าเขาไม่สนใจอยากฟังก็จะไปกระวนกระวายแสดงธรรมหาประโยชน์อะไรแต่เรามีธรรมในใจจริงอยู่คนเดียวก็สบายพอแล้ว ไม่จำต้องไปสแสวงหาเพื่อนหรือใครๆมาคุยด้วยเพื่อแก่รำคาญหรือบรรเทาทุกข์เพราะความอยากเทศอยากคุยซึ่งเป็นการเสริมทุกข์แก่ตัวเปล่าๆผู้ทรงธรรมในลักษณะเช่นนั้นก็เป็นเพียงชื่อเท่านั้นไม่เป็นความจริงใจในธรรมอย่างแท้จริงที่วารู้ทำเห็นธรรมดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงรู้เห็นสำหรับผมเองอยู่คนเดียวเป็นความสนิทใจว่าได้ปรับตัวทั้งทางกายและทางใจได้ดีพอ เพราะผู้มีธรรมก็คือผู้ไม่กระเพื่มขนองทางใจนั่นเองธรรมคือความสงบใจที่มีธรรมบรรจุอยู่ก็คือใจดวงสงบระ ง, งับจากเครื่องทั้งปวงนั่นแหละโดยความรู้สึกประจําใจอย่างนี้แหลจึงชอบอยู่แต่ป่าแต่เขาประจํานิสัยเพราะเป็นที่ให้ความสุขทางวิหารธรรมได้ดีกว่าที่ทั้งหลายการสงเคราะห์โลกเป็นกรณีพิเศษที่มีเป็นบางการไม่ถือเป็นความจําเป็นเสมอไปดัง สุขิหรธรรมที่จะควรทำให้มีอยู่เสมอในเวลาขันยังคลองตัวอยู่ไม่เช่นนั้นย่อมไม่สะดวกในการคลองตัวทำเมื่อมีอยู่กับเราเรารู้อยู่เห็นอยู่ทรงอยู่จะโควนกลวายไปไหนซึ่งล้วนเป็นการแสหาทุกทั้งนั้นทำอยู่ที่ไหนความสงบสุขก็อยู่ที่นั่นตามหลักธรรมชาติแล้วทำอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติธรรมความสงบสุขจึงมาเกิดขึ้นที่นั้น ที่อื่นไม่มีทางเกิดความสงบสุขได้การแสดงธรรมผมระวังเอานักเอานาไม่แสดงแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเพราะธรรมไม่ใช่ธรรมสุ่มสี่สุ่มห้าการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ปฏิบัติแบบสุ่มสี่สุ่มห้าแต่ปฏิบัติอย่างมีกฎเกณฑ์มีข้อบังคับมีระเบียบแบบแผนตหรับตําราพาดําเนินเวลา ร, รู้ก็ไม่ได้รู้สุ่มสี่สุ่มห้าแต่รู้ตามหลักความจริงตามความสามารถมากน้อยเพียงไร นักปฏิบัติจึงควรระวังและสำนึกตัวเสมอว่าเราไม่ใช่พระสมสีสุมห้าแต่เป็นพระที่มีระเบียบทำวินัยคือองค์แทนของศาสนาเป็นเครื่องเป็นเครื่อง ป, ปฏิบัติดำเนินความสงบสงบเยียวยาตัวระวังกายวาจาใจไม่เคลื่อนไปในทางผิดนั่นแหละคือพระที่ทรงมรรคทรงผลงทรงธรรมทรงวินัยจะสามารถทรงตนได้ดีทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีเสื่อมเสียท่านว่า ท่านพูดถึงการแสดงธรรมแล้วก็ย้อนมาหาธรรมภายในอีกว่าขณะที่ธรรมแสดงขึ้นกับใจยอย่างเต็มที่โดยไม่ได้คิดอ่านไตรตรองไว้ก่อนเลยนั้นเป็นขณะที่ผิดคาดผิดหมายและสุดปีสายที่จะคาดคะเนหรือด้นเดาให้ถูกกับความจริงของธรรมจริงๆได้รู้สึกเหมือนเราตายแล้วเกิดชาติใหม่ขึ้นมาในขณะนั้นซึ่งเป็นการตายและการเกิดที่อัศจรรย์ไม่มีอะไรจะเทียบได้ ความรู้ซึ่งเปลี่ยนตัวขึ้นมาที่ว่าเกิดใหม่นี้เป็นความรู้ที่ไม่เคยพบเคยเห็นทั้งๆ ท, ที่มีอยู่กับตัวมาดั้งเดิมแต่เพิ่งมาปรากฏอย่างตื่นเต้นและสัจารรน์เหลือประมาณเอาขณะนั้นนั่นเองจึงทําให้เกิดความคิดเห็นไปต่างๆซึ่งออกจะนอกลู้นอกทางไปบ้างตอนคิดว่าไม่มีทางจะสั่งสอนคนอื่นให้รู้ตามได้เพราะทํานี้สุดวิสัยที่คใครรจะรู้ได้ดังนี้ท่านพระอาจารย์มั่น ท่านมีนิสัย่านทนมาดั่งเดิมนับแต่เริ่มออกปฏิบัติใหม่ๆดังที่เรียนแล้วแม้คราจิตจะเข้าถึงจุดอันเป็นวาระสสุดท้ายก็ยังแสดงรวดลายให้องค์ท่านเองระลึกอยู่ไม่รู้ลืมถึงกลับได้นำมาเล่าให้บรรดาลูกศิษย์ฟังพอเป็นขวัญใจคือพอจิตพลิกคว่ำวัตจักรออกจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วยังแสดงขณะเป็นลักษณะชวัดเฉวียนเวียนรอบตัววิวัตจิตถึงสา ร, รอบ รอบที่หนึ่งสิ้นสุดลงแสดงบทบาลีขึ้นมาว่าโลโปบอกความหมายขึ้นมาพร้อมว่าขณะใหญ่ของจิตที่ทําหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือการลบสมมุติทั้งสิ้นออกจากใจรอบที่สองสิ้นสุดลงแสดงคําบาลีขึ้นมาว่าวิมุตดบอกความหมายว่าขณะใหญ่ของจิตที่ทําหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือความหลุดพ้นอย่างตายตัว รอบที่สามสิ้นสุดลงแสดงคำบาลีขึ้นมาว่าอนาลโยบอกความหมายขึ้นมาว่าขณะใหญ่ของจิตที่ทาหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือการตัดอาราัยอาวรโดยฟิ้นเชิงเป็นเอกจิตเอกธรรมจิตแท้ทำแท้มีอันเดียวไม่มีสองเหมือนสมมติทั้งหลายนี่คือวิมุตติธรรมล้วนๆไม่มีสมมติเข้าแอบแฝงจึงมีได้เพียงอันเดียวรู้ได้เพียงครั้งเดียว ไม่มีสองมีสามมาสืบต่อสนับสนุนกันพระพุทธเจ้าและพระสาวกล้วนแต่รู้เพียงครั้งเดียวก็เป็นเอกจิตเอกธรรมอันสมบูรณ์ไม่สแสวงเพื่ออะไรอีกสมมุติภายในคือขันก็เป็นขันล้วนๆไม่เป็นพิษเป็นภยัยและทรงตัวอยู่ตามปกติเดิมไม่มีการเพิ่มขึ้นและลดลงตามความตรัสรู้คือขันที่เคยนึกคิดเป็นต้นก็ทาหน้าที่ของตนไปตามคำสั่งของจิตผู้บงการ จิตที่เป็นวิมุตต์ก็หลุดพ้นจากความคล้าคร้าวโผพนในขันต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงต่างไม่หาเรื่องหลอกลวงต้มตุนคันดังที่เคยเป็นมาต่างฝ่ายต่างสบางบอยู่ตามธรรมชาติของตนต่างฝ่ายต่างทําธุระหน้าที่ประจําตนจนกว่าจะถึงการแยกย้ายจากส่วนผสมเมื่อการนั้นมาถึงจิตที่บริสุทธิ์ก็แสดง ย, ยะยถาดีโปจะนิปุโต เหมือนประทีปดวงไฟที่หมดเชื้อแล้วดับไปฉะนั้นไปตามความจริงเรื่องของสมมติที่เกี่ยวข้องกันก็มีเพียงเท่านี้นอกนั้นไม่มีสมมติจะติดต่อกันให้เกิดเรื่องราวต่อไปนี่คือทำแสดงในจิตท่านขณะแสดงรดลายเป็นคณะสามรอบจบลงอันเป็นวารสุดท้ายแห่งสมมติกับอิมุตทาหน้าที่ต่อกันและแยกทางการเดินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตลอดคืนวันนั้นท่านว่าท่านปง ความสลดสังเวชในความโง่ขาวเตาตุนซึ่งเปรียบเหมือนหุ่นตัวท่องเที่ยวในพบน้อยพบใหญ่ไม่มีประมาณจนน้ำตาไหลตลอดคืนในขณะที่เดินทางมาพบบองใหญ่มีน้ำใสสะอาดรสชาติมหัศจรรย์ที่ไม่เคยพบมาก่อนชื่อว่าหนองอ้อและอ้อนี้เองหรือที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านคนพบว่านองอ้อและประกาธรรมสอโลกมาได้ตั้งสองพันกว่าปีแล้วเพิ่งมาพบวันนี้และ และกราบพระคุณผอมพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างถึงใจโดยกราบแล้วกราบเล่าอยู่ทานองนั้นไม่อิ่มพอถ้ามีคนไปพบเห็นเข้าซึ่งกำลังนั่งโปรงธรรมสังเวชด้วยทางน้ำตาและก้มกราบแล้วกราบเล่าอยู่เช่นนั้นคงจะมีความรู้สึกผิดปกติขึ้นมาทันทีว่าสมณะรูปนี้เห็นท่าจะมีทุกข์มากถึงกับน้าตาร่วงไหลออกมาและคงกราบกลานสารกล่าว เพื่อวิงวอนเทวดาอารักษ์ที่สิงสถิตยอยู่ในทิศทั้งหลายให้ช่วยระบายคลายทุกข์ให้อย่างแน่นอนหรือมิหรือมิฉะนั้นคงจวนเข้าขั้นบ้าแล้วเป็นแน่ดังนี้แน่นอนเพราะเป็นกิริยาที่ผิดปกติเอามากในเวลานั้นความจริงก็คือท่านถึงพุทธธรรมะสังฆะประจักษ์ใจในคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตาาคดและเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ทางมัญญาติของบุคคลผู้มีกระตันยูกะตะเวทิตาธรรมในใจจะพึงทำฝืนทนอยู่ไม่ได้ในคืนวันนั้นชาวเทศทั้งหลายทั้งเบื้องบนชั้นต่างๆทั้งเบื้องล่างทุกทิศทุกทางหลังจากพร้อมกันให้สาธุการประสานเสียงสเสียงเพรงาะสนอโสดจนสะเทือนโลกธาตุเพื่อประกาศอนุโมทนากับท่านแล้วยังพร้อมันมเยี่ยมฟังธรรมท่านอีกว่าระหนึ่งแต่ท่านไม่มีเวลารับแขก เพราะภารกิจเกี่ยวกับธรรมขั้นสูงสุดยังไม่ยุติลงเป็นปกติท่านเป็นเพียงให้อาณสัญญาณบอกชาวเทพทั้งหลายให้ทราบว่าท่านไม่ว่างโอกาสหน้าค่อยมาใหม่ชาวเทพทุกภูมิพากันกลับไปด้วยความสมน้ำิจดีโดยทั่วกันที่ได้มาพบเห็นวิสุธทธิเทพในคืนแรกที่ท่านเห็นธรรมพอสว่างออกจากที่ภาวนาแล้วท่านยังหวนระลึกถึงธรรมที่แสดงความอัศจรรย์ในตอนกลางกลางคืนอยู่ไม่ได้ลืม ทั้งขณะที่แสดงความหุดพ้นทั้งขณะที่แสดงสามรอบตอนสุดท้ายที่แสดงความหมายต่างๆให้ท่านเห็นอย่างละเอียดละออทั้งหวนระลึกคุณของต้นไม้ที่ท่านอาศัยนั่งภาวนาและสถานที่อยู่อาศัยตลอดชาวบ้านที่ให้ทานอาหารปัจจัยความเป็นอยู่ทุกอย่างตลอดมาจนถึงเวลาบินทบาทซึ่งทีแรกท่านนึกจะไม่ไปบินทบาทมาฉันโดยคิดว่าเท่าที่สวยวิมุติสุขตอนกลางคืนมาถึงบัดนี้ ก็พอขัาความต้องการอยู่แล้วแต่อดคิดเมตตาสงสารชาวบ้านปา่าบ้านเขาที่เคยมีบุญคุณต่อท่านไม่ได้เลยจําต้องไปทั้งที่ไม่ประสงค์จะไปขณะออกไปบินธบาตในหมู่บ้านชาวเขาสายตาปรากฏว่าตั้งหน้าตั้งตาจับจ้องมองดูชาวบ้านทั้งที่มาใส่บาตรทั้งที่อยู่ตามบ้านตามเรือน ตลอดเด็กเล็กๆที่เล่นคลุกฝุ่นอยู่ตามหน้าบ้านหลังเรือนด้วยความสนใจและเมตตาสงสารเป็นพิเศษทั้งที่แต่ก่อนไม่ค่อยมองลูกไายแม้ประชาชนทั้งบ้านก็รู้สึกหน้าทายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพิเศษมองเห็นท่านแล้วต่างยิ้มย่องพองสใสไปตามๆกันกลับมาถึงที่พักแล้วใจก็อิ่มทำธาตุาขานก็อิ่มพอในอาหารทั้งที่ยังมิได้ลงมือฉันจิตใจและธาตุขานไม่รู้สึกหิวโหยอะไรเลย แต่ก็ฝืนฉันไปตามจารีติของขันที่มีความสืกต่อกันด้วยอาหารปัจจัยเป็นเครื่องประสานขณะฉันอาหารก็ไม่มีรสชาติมีแต่รสแห่งธรรมท่วมท้นไปหมดทั่วร่างกายจิตใจเข้าในบทธรรมว่ารสแห่งธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวกในคืนต่อมาชาวเทพทั้งหลายที่มีความหิวกระหายในธรรมได้พากันมาเยี่ยมท่านเป็นพวกๆทั้งเบื้องบนเบื้องล่างแทบทุกทิศทุกทาง ต่างพวกเขามาเล่าความอัศจรรย์แห่งรัศมีและอนุภาคแห่งธรรมของคืนวันนั้นให้ท่านฟังว่าเหมือนสวรรค์วิมานพิพภพครุฑนาคเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทุกชั้นทุกพรมในแดนโลกธาตุสะเทือนสะท้านวันไหวไปตามๆกันเพราะขอความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนส่งแสงสว่างไปทั่วพิพภพเบื้องบนเบนืบ้องล่างไม่มีประมาณผู้มีญาณอย่างทราบต้องสามารถมองเห็นกันได้ทั่วแดนโลกธาตุไม่มีอะไรผิดบาง เพราะควสว่างสวยแห่งธรรมที่พุ่งออกจากกายจากใจของพระคุณจ้ายิ่งกว่าความสว่างของดวงอาทิตย์ร้อยดวงพันดวงเป็นไหนๆใครไม่เห็นและเกิดความอัศจรรย์ก็นาบว่าเลอะทนที่เกิดเป็นคนเป็นสัตว์นอนค้างโลอกอยู่เปล่าๆนอกจากสัตว์ตัวมืดมิปิถาวันรอาศัจริงๆจนไม่มีช่องวางเอาเลยถึงจะไม่รู้ไม่เห็นความอัศจรรย์ของขึ้นวันนั้นใครอยู่ที่ไหนต่างก็ ตลึงถึงเพลิดเกิดพิสวงง ง, งันและอาศาัศจรรย์ไปตามๆกันพวกเทวดาในภพภูมิต่างๆจึงได้พากันเปล่งเสียงสาทุการเพื่ออนโมทนาโพธิสมภารที่เกิดจากบุญปันดาลเพราะบา ร, รมีของพระคุณเจ้าเป็นเสียงเดียวกันถ้าไม่อาศาัศจรรย์ถึงขนาดนั้นใครจะได้รู้ทั่วถึงกันเลยนับว่าพระคุณเจ้ามีบุญหนักสักใหญ่มีวาสนาบา ร, รมีแก่กล้า สามารถทำให้มนลสัตว์มากมายหลายพบหลายภูมิได้อาศัยพึ่งพรมเงาแห่งความร่มเย็นจากบารมีท่านได้เป็นสุขทั่วหน้ากันนานๆนนทีถึงจะมีสักครั้งผู้ไม่มีบุญวาสนาไม่ว่ามนุษย์มนาเทวดาอินพรมใต้น้ำบนบกในเวหาอากาศทั่วไตรโลกธาตุเกิดมาตายเปล่าไม่ได้พบได้เห็นอย่งไงไางง่ายดายทั้งนี้นับว่าพกูกข้าพเจ้าทั้งหลายมีบุญชักนามาวาสนาตามส่งถึงได้พบได้เห็น ได้กราบไหว้บูชาท่านอย่างสมใจและได้ฟังโอวาทคำสั่งสอนที่ท่านเมตตาชี้แจงพอเป็นแสงสว่างแก่จิตใจและทางดำเนินเพื่อพบเพื่อภูมิอันสูงส่งขึ้นไปด้วยความสดชื่นตื่นตัวพอพวกเทวดาที่มาจากชั้นและที่ต่างๆกลับไปตามวาระของตนซึ่งมาในเวลาต่างๆกันแล้วท่านก็เริ่มรำพึงธทำที่ได้รู้เห็นมาด้วยความทุกข์ยากลำบากปรากฏด้วยความสำหรับท่าน ผู้ค่อนข้างปฏิบัติยากผิดธรรมดาว่าทํารอดตายถ้าให้รอดตายก็คงไม่ได้พบเห็นแน่นอนเมื่อพยายามแวกว่ายจนถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์แล้วจากนั้นพอเริ่มทําภาวนาทีไรทําให้ท่านโว้นระลึกถึงสิ่งที่ไม่ควรระลึกแทบทุกครั้งไปทั้งที่แต่ก่อนท่านไม่เคยสนใจเลยตอนนี้ต้องขออาภัยจากท่านผู้อันมากๆด้วยที่จําต้องนําเรื่องนี้มาลง โดยเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันทําไมนํามาลงก็รู้สึกจะขาดเรื่องหน้าคิดไปซึ่งเรื่องทนองนี้อาจเป็นเงาเทียมตัวอยู่กับทุกท่านก็ได้นอกจากไม่รู้เรื่องของตัวเท่านั้นหากเป็นการไม่งามก็กรุณาตําหนิผู้นํามาลงซึ่งไม่มีความรอบครอบพอเพราะเรื่องนี้ท่านผู้อ่านก็คงทราบดีว่าต้องเป็นเรื่องภายในที่ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์พูดต่อกันโดยเฉพาะเท่านั้นแต่ผู้นํามาลงก็พยายาม ปราบความอยากเขียนอยากนำลงตัวนี้อย่างเต็มกำลังเหมือนกันจึงขอความเห็นใจว่าเราพยายามปราบเท่าไรความอยากตัวนี้ก็รู้สึกยิ่งอยากมากขึ้นเลยจาต้องปล่อยให้ลองดูพอได้เขียนเรื่องนี้แล้วความอยากค่อยหายไปดังนี้จึงสารภาพตัวว่าเหลวจริงๆและหวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านโดยทั่วกันและอาจเป็นข้อคิดสาหรับชาวเราที่อยู่ในกฎแห่งความหมุนเวียนด้วยกัน สิ่งนั้นเกี่ยวกับคู่บา ร, รมีท่านมาดั้งเดิมท่านเล่าว่าแต่ก่อนที่ยังไม่ถึงทำขั้นนี้คู่บา ร, รมีที่เคยปรารถนาพุทธภูมิมาด้วยการแต่สมัยก่อนโน้นก็เคยมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนาเสมอท่านแสดงทำให้ฟังเล็กน้อยแล้วสั่งให้กลับไปนานๆมาครั้งหนึ่งแต่มาในรูปแห่งวิญญาณมองร่างไม่ปรากฏเหมือนภพอื่นๆเวลาท่านถามก็ตอบว่าเป็นห่วงท่านมาก ยังไม่ได้ตั้งใจไปเกิดในภพภูมิที่เป็นหลักเป็นฐานใดๆทั้งสิ้นทั้งกลัวท่านจะหลงลืมความสัมพันธ์และความปรารถนาที่เคยพาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตจึงต้องมาคอยฟังเรื่องราวอยู่เสมอด้วยความเป็นห่วงและเสียดายท่านก็ได้บอกว่าได้ของดความปรารถนานั้นไปแล้วและได้ตั้งใจปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกในชาตินี้ไม่ขอเกิดอีก ซึ่งเท่ากับขอเอาทุกภัยที่เคยพบเคยเห็นมากับชาตินั้นมาแบกหางต่อไปอีกแม้ไม่ได้ตอบให้ท่านทราบว่าหายห่วงหรือยังห่วงอยู่ในเรื่องนั้นแต่ก็ยังเป็นห่วงคิดถึงท่านตลอดมาไม่ได้หลงหลืมจืดจางแต่นานๆานมาเยี่ยมท่านห น, หนึ่งดังนี้พอมาถึงระยะนี้องค์ท่านเองนึกเป็นห่วงและสงสารที่เคยรับความทุกข์ยากลาบากในพบชาตินั้นมาด้วยกันตามที่ท่านพิจารณารู้เห็น จึงนึกวิตกอยากพบเพื่อจะได้ปรับปรุงความเข้าใจและเล่าอะไรที่จําเป็นให้ฟังจะได้หายสงสัยหมดกังวลความผูกพันในความหลังเพียงนึกวิตกเท่านั้นพอตกกลางคืนยามดึกสงัดครูบา ร, รมีท่านก็มาจริงๆและมาในรูปแห่งวิ ญ, ญญาณตามเดิมท่านเริ่มถาม ถ, ามถึงภพชาติที่กําลังเป็นอยู่ว่าทําไมมีแต่ดวงวิ ญ, ญญาณไม่มีร่างเหมือนภูมิอันเป็นทิพย์ทั่วๆไป เวลานี้เกิดเป็นอะไรจึงได้มาในลักษณะวิญญาณเช่นนี้ดวงวิญญาณตอบท่านว่านี่เป็นพบย่อยอันละเอียดอีพบหนึ่งในบรรดาพบทั้งหลายที่มารออยู่ในพบนี้ก็เพราะความเป็นห่วงดังที่เคยเรียนแล้วนั่นเองที่มานี้ก็ทราบว่าท่านอยากให้มาถึงได้มาไม่กล้ามาบ่อยนักเพราะเป็นความกระดักอาอยู่ภายในทั้งๆั้ที่อยากมาบ่อยที่สุดแมมาแล้วจะไม่มี จะไม่มีความเสียหายอะไรทั้งสองฝ่ายเพราะมิใช่วิสัยจะทําให้เกิดความเสียหายได้ก็าตามแต่ความรู้สึกอันดั้งเดิมที่เคยมีต่อกันหากทําให้เกิดความตะกิตตะขวงใจไม่กล้ามาไปเองทั้งท่านก็เคยบอกว่าไม่ให้มาบ่อยนะักแม้ไม่เสียหายก็อาจเป็นอารมณ์เครื่องทําให้เนินช้าแก่การปฏิบัติได้เพราะใจเป็นสิ่งละเอียดอาจรับเอาอารมณ์อันละเอียดมาเป็นอุปสรรคแก่การดําเนินของตนได้ก็เชื่อว่าอาจเป็นได้ ดังที่บอกจึงไม่ได้มาบ่อยนักคืนวันท่านตัดขาจะพบจากชาติจากญาติมิสหายจากสายบา ร, รมีผู้หวงังพึ่งเป็นพึ่งตายอย่างไม่อาลัยเสียดายเลยนั้นก็ทราบเพราะเรื่องกระเทือนไปทั่วโลกธาตุต้องทราบ ก, กันทุกแห่งคนแต่แทนที่จะเกิดความชื่นบานหันษาอนุโมทนาด้วยดังที่เคยมีเคยเป็นมาแต่ก่อนนั้นเลยกลับเกิดความน้อยเนื้อต่าใจด้วยความวิปริตคิดไปต่างๆว่า ท่านไปแบบไม่เหลียวแลแม้คู่ปรมีที่เคยทุกเคยจะเกียรตกายถวายความจงรักภักดีในพบน้อยพบใหญ่หมาด้วยกันก็ไม่เหลือมองชาติวาสนาของตัวนี้แสนอาภัพก็อยู่ไปตามกรรมมีแต่รูปคลั่มทุกข์ไม่มีวันปล่อยวางอย่างนี้แหลผู้พ้นไปก็ไกลทุกข์แต่ผู้ที่กำลังตกอยู่ในกองทุกข์ก็อดทนไปคิดไปมากเท่าไรก็เหมือนคนไม่มีปัญญาแต่อย่าขึ้นไปชมเดือนดาวบนฟ้า สุดท้ายก็กลับมานั่งนอนกอดกับทุกข์ไปตามแบบของคนมีคำหนาหาทางออกไม่ได้ผู้พับชาติวาสนาที่กําลังดิ้นรนทนทุกข์บนหาความสุขอยู่เวลานี้ก็คือผู้กําลังเสียใจร้องไห้อยาขึ้นไปชมเดือนชมดาวบนฟ้าซึ่งแสงหน้าทุเรศเอานักหนาหน้าเวทนาเหลือประมาณผู้นี้เองจะเป็นผู้อื่นใดที่ไหนกันท่านผู้เป็นเสมือนเดือนดาวบนฟ้าส่งแสงสว่างจ้าทั่วสารทิศ จะสถิตยอยู่ที่ใดก็ไม่อับเฉาเคล้าในธรรมมีแต่ความสว่างสวายไปทุกทิศทุกทางโดยรอบขอบเขตจักรวาลสนุกอยู่ด้วยความสาราญบานใจหากบุญวาสนาของดวงวิญญาณข้าบาท บ, บริจาริกายังพอมีอยู่บ้างไม่ขาดศูนย์พูนทุกข์ก็ขอท่านโปรดเมตตาแผ่กระแสธรรมไปบันดาลพร้อมทั้งดวงปัญญายานอันบริสุทธิ์ผ่องใสไปโปรดประทานพอได้พ้นจากโทษในสงสาร บรรลุพระนิพพานตามไปในไม่ช้านี้เถิดจะไม่อดทนทนทุกทรมานจิตใจไปช้านานขอคําวิงวอนสัตยาธิษฐานนี้จึงมีกําลังบันดาลให้เป็นไปทางใจหมายของข้ายาเนิ่นนา น, านได้โพธิสมภารย่างใกล้ชิดเร็วพลันเถิดนี่เป็นคําของดวงวิญญาณวิงวอนอธิฐานหวังโพธิสมภารหมายปองด้วยความละล่ำละลักซึ่งเป็นคําที่น่าสมเพชเวทนาเอานักหนา ท่านตอบว่าเท่าที่นึกวิตกอยากให้มาก็ไม่ได้มุ่งเจตนาให้เกิดความเสียใจดังที่เป็นอยู่เวลานี้ซึ่งเป็นทางที่ผิดสัตว์โลกที่มีอยู่ทั่วโลกกธาต์ซึ่งมีความหวัาางดีต่อกันเขาไม่ได้นําเรื่องทํานองนี้มาคิดกันคําว่าเมตตาการุณามุทิตา อ, อุเบกขาในพระมิหารก็เคยบําเพ็ญมาไม่ใช่หรือดวงวิญญาณตอบว่า เคยบำเพ็ญมาชานานจึงอดคิดถึงความผูกพันที่เคยบำเพ็ญทมทั้งสี่นี้มาด้วยกันไม่ได้เมื่อผู้หนึ่งเอาตัวรอดไปเสียเพียงคนเดียวเช่นนี้ธรรมราษฎร์ที่มีกิเลสเช่นวิญญาณ น, นี้จึงอดกลั้นความเสียใจไม่ได้แล้วก็ได้รับความทุกข์เพราะความสลักปัดทิ้งไม่เหลยวแลนั้นจนเวลานี้ก็ยังมองไม่เห็นความสว่างสางซาหแห่งความทุกข์นั้นลงบ้างเลยท่านพูดตอบว่าการสร้างความดีมาทั้งมวล ทั้งที่สร้างโดยลําพังตนเองทั้งที่ผู้อื่นพาสร้างก็เพื่อแก้ความกังวลขนทุกข์ออกจากตัวไม่ได้สร้างเพื่อความร้อนรอนขนทุกข์เข้าใส่ตัวจนถึงต้องเดือดร้อนเดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่หรือดวงวิญญาณตอบว่าใช่แต่วิสัยของผู้มีกิเลสเมื่อไม่สามารถเลือกทางเดินที่ราบรื่นปลอดภัยได้ก็จําต้องลูบคลําไปตามประษาโดยไม่ทราบว่าที่ทําไปนั้นถูกหรือผิดจะพาให้ตนเป็นสุข หรือเป็นทุกข์ส่วนที่เป็นทุกข์ก็รู้อยู่แก่ใจแต่ไม่ทราบจะหาทางออกด้วยวิธีใดก็จําต้องดิ้นรนบนทุกข์ไปทํานองดังที่เห็นอยู่เวลานี้ท่าเลาว่าวิญญาณทําความเหนียวแน่นแม่นมั่นปรับทุกข์ปรับร้อนกับท่านอย่างเอาจริงเอาจังหาว่าท่านโลบปลีปลีตัวไปเสี้ยวนเดียวปราศจากความเมตตาสงสารกับผู้ที่เคยจะเกียกตะกายเสือกคานผ่านทุกข์มาด้วยกัน ไม่เหลือมองเพื่ออนุเคราะห์ส่งเสริมเพ่อให้มีทางผ่านพ้นไปด้วยได้ตอนนี้ท่านพูดเป็นประโยชน์แทรกในระหว่างจากนั้นก็อนุสนิ่สืบต่อกับดวงวิญญาณต่อไปท่านพูดปลอบโยนกับดวงวิญญาณว่าการรับประทานแม้จะรับอยู่ร่วมวงในภาชนะหรือในโต๊ะเดียวกัน<ๆ>ก็ยังมีผู้อิ่มก่อนผู้อิ่มที่หลังจะให้อิ่มในขณะเดียวกันย่อมไม่ได้การบำเพ็ญความดีทั้งหลาย แม้จะบำเพ็ญมาด้วยกันดังพระพุทธเจ้ากับพระนางพิมพายโสธราคู่พระบรารมีก็ยังประกฏว่าพระองค์ทรงบรรลุถึงแดนพ้นทุกข์ก่อนแล้วเสด็จกลับมาประทานพระโอวาะแก่พระนางแล้วค่อยสาเร็จในวรระต่อไปเรื่องเชนนี้ก็ควรนำไปคิดอ่านไตรตรองยึดเป็นคติย่อมจะเกิดประโยชน์มาหาศาลแกเราเองดีกว่าจะมาปรับทุกข์ปรับร้อนแกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งกำลังพยายามคิดหาทางช่วยเหลืออยู่อย่างเต็มใจและส่อสแสวงหาทางเพื่อช่วยให้หลุดพ้นอย่างเต็มกำลังมิหนายังถูกหาว่ามีใจจืดจางว่างวางปล่อยไม่เหลีวแลก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ทั้งสองฝ่ายเข้าไปอีกซึ่งเป็นความคิดที่ไม่เหมาะสมเลยควรเปลี่ยนความคิดสมัยตามแบบพระชายาของพระเจ้าซึ่งเป็นทางให้เกิดความสุขและเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องดีงามแก่ผู้อื่นด้วย การวิตกยากให้มาก็เพื่อจะอนุเคราะห์ไม่ได้เพื่อจะรับไล่สายส่งการสั่งสอนตลอดมาก็เพื่ออนุเคราะห์ส่งเสริมตามแบบฉบับแห่งธรรมผู้แก่ผู้ควรอนุเคราะห์คำว่าปล่อยปลาละเลยไม่เหลียวแลนี้ยังมองไม่เห็นว่าได้ทอดทุระปล่อยวาง ห, ห่างเหินอย่างไรความคิดและอุบายที่แสดงออกทุกขณะจิตที่คิดเพื่ออนุเคราะห์เป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยเมตตากรุณาจริงๆ เพื่อผลที่ผู้รับไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดก็รอคอยจะแสดงมุทิตาจิตไปด้วยอยู่เสมอหากได้ผลเป็นที่พึงพอใจไม่มีข้องแวะที่ไหนแล้วผู้ให้ความอนุเคราะห์ก็เบาใจหายห่วงจิตกับอุเบกขาธรรมก็เข้ากันได้สนิท ก, การที่พาปราถนาพุทธภูมิก็มุ่งจะพาข้ามโลกสงสารการของดจากพุทธภูมิมาตั้งความปราถนาเป็นสาวกภูมิ อันเป็นภูมิของผู้สิ้นกิเลสอาสวะก็เป็นความมุ่งหมายเพื่อจะพาสิ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งมวลก้าวเข้าสู่บรมสุขคือพระนิพพานอันเป็นจุดอันเดียวกันการพาบำเพ็ญกุศลให้ชาติต่างๆตลอดมาจนชาติปัจจุบันได้มาบวชบำเพ็ญในศาสนามีสติปัญญาเพียงใดพอติดต่อข่าวสารถึงได้ก็พยายามเสมอมาจนได้มาพบเห็นกันในพบนี้ และได้ให้อว่าสัส่งสอนเต็มสติปัญญาตลอดมาถึงปัจจุบันบัด น, นี้ล้วนเป็นอุบายวิธีอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาสงสารสุดที่จะประมาณอยู่แล้วไม่มีขณะจิตใดที่จะทอดอะไรไม้โลปลีกปรีตัวให้พ้นไปแต่ผู้เดียวแต่เป็นขณะจิตที่จะไม่ได้ความเป็นห่วงสงสารหวังจะฉุดจะลากจะพากออกจากกองทุกภพชาติในสงสารให้ถึงพระนิพพานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ความคิดวิปริตไปในทางน้อยเนื้อต่ำใจที่สำคัญว่าทอดทิ้งปล่อยวางไม่เหลียวแหล่นี้เป็นความคิดที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสองฝ่ายจึงควรระงับดับมันเสียอย่าให้เกิดมีขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจอีกต่อไปผลคือความทุกข์จะตามมาอีกไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ตลอดกาลและผิดกับความมุ่งหมายของผู้หวังอนุเคราะห์ด้วยใจเมตตาสงสารตลอดมาคำว่าหลุดพ้นไปไม่อะไรอวร น, นั้นหลุดพ้นไปไหน และไม่อาลัยผู้ใดเพราะขณะนี้กําลังช่วยฉุดช่วยลากช่วยทากช่วยทางช่วยอนุเคราะห์กันอยู่อย่างเต็มกําลังแม้การอบรมสั่งสอนทั้งมวลก็ล้วนออกจากความอาลัยสงสารโดยถ่ายเดียวไม่ใช่หรือจะหาความอาลัยสงสารจากที่ไหนให้ยิ่งกว่าที่กําลังให้และกําลังได้รับอยู่เวลานี้การอบรมบ่มนิสัยเพื่อการเชิดชูส่งเสริมตลอดมาก็ได้ถอดออกมาจากดวงใจที่เปียมด้วยความสงสาร ยิ่งกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรและได้ทุ่มเทลงอย่างไม่อัดไม่อันไม่คิดเป็นคิดตายและคิดจะหมดหรือยังเหลืออยู่ในบรรดาธรรมที่มีอยู่ภายในใจขอได้เข้าใจตามเจตนาที่หวังอนุเคราะห์อยู่เสมอมาและรับไปเป็นสิริมงคลแก่ตนตามธรรมที่อบรมสั่งสอนมานี้ผลคือความสุขใจจะเป็นที่ยอมรับอยู่กับตัวผู้เชื่อถือและปฏิบัติตามนั บ, นบแต่ออกบวช และปฏิบัติธรรมแทบเป็นแทบตายแม้แต่ขณะจิตหนึ่งที่คิดขึ้นเพื่อเป็นคนใจดำน้ำคุณยังไม่เคยปรากฏว่ามีเลยการวิโตคิดถึงอยากให้มาหาก็ไม่ได้หวังเพื่อจะต้มตุนหลอกลวงให้ลมชมเสียหายแต่หวังจะอนุเคราะห์อย่างสมใจที่เมตตาสงสารอย่างเดียวเท่านั้นถ้ายังเป็นที่เชื่อถือไม่ได้อยู่แล้วก็ยากที่จะไปแสแวงหาความเชื่อถือที่ไว้วางใจได้จากผู้ใดที่เห็นว่าดีเยี่ยมและซื่อสัตย์ สุดจริยิ่งกว่านี้ที่ว่าทราบเรื่องสะเทือนโลกธาตุในคืนวันนั้นนั้นเป็นการทราบความสะเทือนแห่งธรรมประเภทหลอกลวงต้มตุนให้โลกล่มจมปรากฏขึ้นหรืออย่างไรจึงไม่แน่ใจและปลงใจที่จะยอมเชื่อถือตามคำอบรมสัง่งสอนที่ตั้งใจอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาถ้าเข้าใจว่าทําเป็นธรรมแล้วความสะเทือนในโลกธาตุนั้นก็ควรนำมาคิดเพื่อปลงจิตปลงใจเชื่อถือและเย็นใจว่า เรายังมีวาสนาบารมีอยู่มากแม้มาอุบัติในภพชาติที่ลึกลับควรจะสุดวิสัยแล้วแต่ยังได้รับฟังสิ่งดีชั่วของตัวจากธรรมที่มีผู้เมตตาแสดงให้ฟังได้ไม่เสียการไปเปล่านับว่าเป็นโชควาสนาของเราที่เคยสั่งสมอบรมมาและควรจะภาคภูมิใจในวาสนาของตัวที่มีผู้มาชุดมาลากมาช่วยคลากจากความมืดบนอนตการพอได้รู้ความผิดพลาดของตัวบ้า ไม่มือดบอดจอดจมไปถ่ายเดียวหากคิดอย่างนี้ก็น่าอนโมธนาสาธุกการและพลอยเบาใจหาย ห, ายห่วงไปด้วยไม่เป็นความคิดที่ให้ทุกผูกมัดรัดตัวจนพากันหาทางออกไม่ได้เพราะทำกลายเป็นโรคความหยงใยสงสารกลายเป็นศัตรูคู่ก่อเวรขณะที่ฟังท่านสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารเหมือนสายน้ำทิพย์ในลาธารประพรมสดสงด้วยทั้งเหตุและผล ละคนคละคล้ากันไปไม่หยุดหย่อนบาศบริจาริกาคู่บา ร, รมีกลับได้สติกลายเป็นผู้มีใจอ่อนน้อมยอมรับธรรมด้วยความทราบซึ้งเพลิดเพลินจนลืม เ, เวลาเวลาพอจบเทศนาวินิจฉัยปัญหาก็ยอมตนเป็นผู้ผิดว่ามาทําให้ท่านได้รับความลําบากลําบนเพราะความมืดมนด้วยความรักความอาลายัยโดยเข้าใจว่าท่านปล่อยท่านวางไปกับดินกับหญ้าไม่เมตตาเอื้อเฟื้ออาลายัย จึงเกิดความเสีย อ, อกเสียใจจนไม่มีที่โปร่งที่วางนึกว่าตนไร้ญาติขาดมิตรปิดชีวิตชีวาไม่มีที่พึ่งพลาอาศัยมาบัดนี้ได้รับความสว่างจากดวงธรรมใจเกิดความเย็นช้ำเป็นสุขทุกที่เคยแบกหามาก็โปร่งวางลงได้เพราะทำเหมือนน้ํอาอมฤตรสโสดสงฉะล้างให้เกิดความสว่างสวัยขึ้นมาโทษใดที่ได้ลวงเกินพระคุณท่านด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการขอได้ โปรดประธานโทษนั้นให้แก่ฆ่าบาทดวงวิญญาณเพื่อจะได้ตั้งนาตั้งนาสำรวมระวังต่อไปตลอดอวสานไม่หลงลืมผิดพลาดคลาดเคล้าอีกต่อไปจากนั้นท่านขออธิบายแนะนำเกี่ยวกับภพบกำเนิดว่าขอให้ไปเกิดในภพที่เป็นหลักฐานอันสมควรแก่ภาวะของตนไม่ควรมากังวลวกเวียนเกี่ยวข้องกับความเป็นห่วงใ่ดังที่เคยเป็นมาอีกต่อไป ดวงวิญญาณยินดีรับคำท่านด้วยความเคารพบ น, บน้อมก่อนจะจากไปได้กราบขอพรว่าเมื่อได้ไปเกิดในพบที่เหมาะสมแล้วขอให้ได้มารับฟังโอวาทตามความปรารถนาดังที่เคยทำมาขอได้โปรดประทานพรตามใจหวังเถิดเมื่อท่านอนุญาตแล้วก็หายไปในขณะนั้นพอดวงวิญญาณจากไปแล้วจิตถอนขึ้นมาราวตีห้าจวนสว่างคืนนั้นท่านไม่ได้พักผ่อนร่างกายเลย เพราะเริ่มนั่งสมาธิภาวนาแต่ขณะออกจากทางจงกรมราวยี่สิบนาฬิกาตอนดึกก็รับแขกวิญญาณเสียหลายชั่วโมงท่านล่าว่าต่อมาไม่นานนักดวงวิญญาณก็มาเยี่ยมฟังเทศท่านอีกคราวนี้มาในร่างแห่งเทวดาผู้มีรูปสวยงามมากแต่ไม่ได้ตกแต่งด้วยเครื่องประดับต่างๆตามปกติของพวกเทวดาที่ทำกันเพราะมหาพระองค์สาคัญซึ่งเทวดาถือเป็นความเคารพมากโดยทั่วไป พอเทวดามาถึงก็เล่าถวายท่านว่าพอได้รับคำชี้แจงจากท่านให้หายสงสัยไร้ทุกข์ที่เคยทรมานใจามาแล้วก็ไปอุบัติเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงพิ พ, พ, พซึ่งมีความสุขสนุกสนานด้วยเครื่องบำรุงบำเพลต่างๆที่ล้วนแต่สำเร็จไปจากการบำเพ็ญเมื่ออยู่กับท่านในเมืองมนุษย์ทางนั้นแม้จะมีความสุขสบายตามวิบากรรมอํานวยก็ตามแต่ก็อดระลึกไม่ได้ว่า วิบากสมบัติที่ปรากฏให้ได้รับสวยเหล่านั้นล้วนเป็นสาเหตุไปจากพระคุณท่านเป็นผู้ภาริเริ่มบําเพ็ญแต่ต้นมาเพียงลําพังตัวผู้เดียวไม่มีปัญญาสามารถคิดอ่านบําเพ็ญให้สำเร็จเป็นสมบัติที่พึงพอใจยอย่างมหาศาลเช่นนั้นได้เวลามีวาสนาได้ไปเกิดในกองมหาสมบัติอันเป็นทิพย์และมีความสุขสบายหายหายโกรธแค่นน้อยใจแล้วจึงได้ระลึกถึงพระคุณของท่าน ที่มีแก่ตนอย่างมากมายเหลือที่จะประมาณได้ฉะนั้นการเลือกเฟ้นในทุกสิ่งไม่ว่าการงานอาหารและสิ่งของนานาชนิดตลอดมิสหายเพื่อนหญิงเพื่อนชายที่ควรก่อนเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการครองตัวด้วยความราบเรื่นจะพึงถือเป็นกิจจําเป็นเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกคู่ครองเพื่อหวังพึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆควรถือเป็นกรณีพิเศษกว่าสิ่งอื่นใดเพราะคู่ครองนั้น เป็นเหมือนกับใช้ลมหายใจและความเป็นอยู่ทุกด้านร่วมอันเดียวกันความสุขทุกน้อยมากย่อมเป็นสิ่งกระเทือนถึงกันทุกระยะผู้ได้คู่ครองที่ดีแม้ตัวจะทําบ้างทางฐานะความรู้ความฉลาดการประพฤติจริตนิสยัยแต่ก็ยังดีที่มีผู้คอยฉุดคอยลากคอยให้คติเตือนใจเสมอและพาประพฤติดำเนินไปในกิจการต่างๆทั้งทางโลก อันเป็นเครื่องส่งเสริมครอบครัวให้มันคงและสงบสุขและทางธรรมซึ่งเป็นความดีงามแก่จิตใจตลอดการงานอย่างอื่นที่พลอยมีส่วนดีงามไปด้วยไม่มืดมิดปิดตาคำดำคำขาวไปถ่ายเดียวโดยหาความแน่นอนและรับรองผลไม่ได้ถ้าต่างฝ่ายต่างดีด้วยกันก็เท่ากับต่างช่วยกันรสร้างวิมานหลังใหญ่ในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันไปตลอดอมสารไม่มีการทะเลาะวิวาทถกเถียงกัน รเรือนย่อมเป็นสุขไม่มีเรื่องคุณข้องมองใจมารบกวนเพราะต่างฝ่ายต่างสร้างสวรรค์ต่างฝ่ายต่างสำรวมระวังต่างฝ่ายต่างตั้งอยู่ในเหตุผลหลักธรรมไม่ทำตามใจชอบที่ผิดจากหลักศีลธรรมอันเป็นหลักรับรองความร่มเย็น ผ, ผาสุกต่อกันคู่ครองแต่ละฝ่ายจึงเป็นผู้ช่วยกันสร้างกรรมดีชั่วสุขทุกบุญบาปนรกสวรรค์เกี่ยวเนื่องกันแต่เริ่มต้นชีวิตร่วมกันเป็นต้นไปเหมือนลูกโซ่ ทั้งปัจจุบันชาตินี้ตลอดอนาคตของภพชาติต่อไปดังข้าบาทได้เห็นประจักษ์กับตัวเองเวงเล็บเปิดคำว่าข้าบาทเป็นคำแทนชื่อที่ถนาใจของเทวดาเรียกตัวเองกับท่านพระอาจารย์มั่นวงเล็บปิดที่ได้มีบุญติดสอยห้อยตามบาทไปในภพชาติต่างๆด้วยการนำของพระกุณท่านพาสร้างแต่ความดีมาประจำนิสัยไม่พาสร้างบาปกรรมทำชั่วโมหมองเลย จึงพลอยได้เป็นคนดีติดตามบาทมาแทบทุกชาติทุกภพและพาให้แค้วคลาดจากภัยเวรทั้งหลายตลอดมานึกถึงพระคุณแล้วทำให้ซึง้งในจิตใจสุดที่จะเรียนได้ถูกคราวนี้ข้าบาทได้เห็นโทษของตัวที่เคยผิดพลาดล่วงเกินพระคุณท่านมาในอดีตทั้งชาติแห่งวิญญาณและอดีตการที่ผ่านมานานขอท่านได้โปรดเมตตาอาโหสิกรรมนาเสียซึ่งโทษ อย่าได้มีกครมีเวรสืบต่อเกี่ยวข้องอีกต่อไปท่านได้อโหสิกรรมแก่เทวดาตามความปรารถนาและได้แสดงธรรมอบรมส่งเสริมบารมีให้เป็นที่รื่นเริงจนควรแก่การแล้วเทวดานมัสการลากระทําประทักษิณสามรอบลีกออกห่างจากท่านพอประมาณแล้วเหาะลอยขึ้นสู่อากาศด้วยความสมณะศรัทธาเป็นห้นพนระหว่างวิ ญ, ญญาณมาปรับทุกด้วยความน้อยอกน้อยใจกับท่าน รู้สึกว่าพิสดารเหลือจะพนานาผู้เขียนไม่สามารถนำมาลงได้ทุกประโยคไปจึงขออภัยท่านไว้ด้วยเท่าที่จำได้และนำมาลงนี้ก็ไม่ค่อยสนิทใจนักถ้าจะผ่านไปก็รู้สึกจะขาดเนื้อเรื่องที่น่าคิดไปดังที่เรียนไว้แล้วตอนก่อนที่จะเขียนเรื่องนี้พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันเสด็จมาอนุโมทนาหลังจากท่านเดินทางถึงแดนแห่งวิมุตแล้ว คืนต่อๆมามีพระพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกจํานวนมากเสด็จมาอนโมธนาปีมุติธรรมกับท่านเสมอมิได้ขาดคืนนั้น e. พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นกับพระสาวกบริวารเป็นจํานวนหมื่นเสด็จมาเยี่ยมคืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นกับสาวกบริวารจํานวนแสนเสด็จมาเยี่ยมคืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีสาวกเท่านั้นเสด็จมาเยี่ยมอนโมธนาจํานวนพระสาวกที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาแต oh ่ละพระองค์นั้น มีจานวนไม่เท่ากันทางนี้ท่านว่าขึ้นอยู่กับวาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่เหมือนกันที่ภาษาวกตามเสด็จมาด้วยแต่ละพระองค์นั้นมิได้ตามเสด็จมาทั้งหมดในบรรดาภาษาวกของแต่ละพระองค์ที่มีอยู่แต่ที่ตามเสด็จม า, มามากน้อยต่างกันนั้นพอแสดงให้เห็นภูมิพระวาสนาบารมีของแต่ละพระองค์นั้นต่างกันเท่านั้น บรรดาพระสาวกจํานวนมากของแต่ละพระองค์ที่ตามเสด็จมานั้นมีสามนเณรติดตามมาด้วยครั้งละไม่น้อยเลยท่านสงสัยจึงพิจารณาก็ทราบว่าคําว่าพระอรหันต์ในนามธรรนั้นมิได้หมายเฉพาะพระแต่สามนเณรที่มีจิตบริสุทธิ์หมดจดก็นับเข้าในจํานวนสาวกอรหันต์ด้วยฉะนั้นที่สามนเณรติดตามมาด้วยจึงไม่ขัดกันในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ประธานอนโมทนาแก่ท่านพระอาจารย์นั่นนั้นส่วนใหญ่มีว่าเราตถาคตทราบว่าเธอพ้นโทษจากอนันตทุกในที่คุมขังหแห่งเรือนจำของพัตทุขจึงได้มาเยี่ยมอนโมทนาที่คุมขังแหล่งนี้ใหญ่ัวโมโหลาและแน่นหนามันคงมากและมีเครื่องยั่วยวนชวนให้เผอตัวและติดอยู่รอบตัวไม่มีช่องว่างจึงยากที่จะมีผู้แวบไหวยออกมาได้เพราะสัตว์โลกจํานวนมาก ไม่ค่อยมีผู้สนใจกับทุกข์ที่เป็นอยู่กับตัวตลอดมาว่าเป็นสิ่งที่ทรมานและเสียดแทงร่างกายจิตใจเพียงใดพอจะคิดเสาะแสวงหาทางออกด้วยวิจิตต่างๆเหมือนคนเป็นโรคแต่ไม่ได้สนใจกับยายาแม้มีมากจึงไม่มีประโยชน์สําหรับคนประเภทนั้นทำของเราตถาคตก็เช่นเดียวกับยาสัตว์โรคอาภัพเพราะโรคกิเลสตัณหาภายในใจเบียดเบียนเสียดแทง ทำให้เป็นทุกข์แบบไม่มีจุดหมายว่าจะหายได้เมื่อไรสิ่งตายตัวก็คือโรคพันนี้ถ้าไม่รับยาคือทำจะไม่มีวันหายได้ต้องฉุดลากสัตว์โลกให้ตายเกิดคละเคล้าไปกับความทุกข์กายทุกใจและเกี่ยวโยงกันเหมือนลูกโซ่ตลอดอนันตการทำแม้จะมีเต็มไปทั้งโลกธาตุก็ไม่สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ไม่สนใจนำไปปฏิบัติรักษาตัวเท่าที่ควรจะได้รับจากธรรมธรรมก็อยู่แบบธรรม สัตว์โลกก็หมุนตัวเป็นกลวงจักไปกับทุก์ในพบน้อยพบใหญ่แบบสัตว์โลกโดยไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะสิ้นสุดทุกกันลงได้เมื่อใดไม่มีทางช่วยได้ทาไมสนใจช่วยตัวเองโดยยึด ธ, ธรรมมาเป็นหลักใจและพยายามปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรูภเพิ่มจานวนองค์และสั่งสอนมากมายเพียงไรผลที่ได้รับก็เท่ากับ ก็เท่าที่โรคประเภทคอยรับยามีอยู่เท่านั้นธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดมีแบบตายตัวอยู่อย่างเดียวกันคือสอนให้ละชั่วทำดีทั้งนั้นไม่มีธรรมพิเศษและแบบสอนพิเศษไปกว่านี้เพราะไม่มีกิเลสตัณหาพิเศษในใจสัตว์โลกที่พิเศษเหนือธรรมซึ่งประกาศสอนไว้เท่าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายประทานไว้แล้วเป็นธรรมที่ควรแก่การรื้อถอนกิเลสทุกประเภทของมนัตว์อยู่แล้วนอกจากผู้รับฟัง และปฏิบัติตามจะยอมแพ้ต่อเรื่องกิเลสตัณหาของตัวสีเองแล้วเห็นธรรมเป็นของไร้สาระไปเสียเท่านั้นต า, ตามธรรมดาแล้วกิเลสทุกประเภทต้องฝืนธรรมดาดั้งเดิมคนที่คล้อยตามมันจึงเป็นผู้ลืมทมไม่อยากเชื่อฟังและทาตามโดยเห็นว่าลำบากและเสียเวลาทาในสิ่งที่ตนชอบทั้งที่สิ่งนั้นให้โทษประเพณีของนักปราบผู้ฉลาดมองเห็นการไกล ยอมไม่หดตัวมั่วสุมอยู่เปล่าๆเหมือนเต่าถูกน้ำร้อนไม่มีทางออกต้องยอมตายในหม้อที่กำลังเดือดพล่านโลกเดือดพล่านอยู่ด้วยกิเลสตัณหาความแผดเผาไม่มีการสถานที่ที่พอจะปลงวางลงได้จาต้องยอมทนทุกข์ทรมานไป ต, ตามๆกันโดยแม่นิยมสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อยู่บนอากาศและใต้ดินเพราะสิ่งแผดเผาร่าร้อนอยู่กับใจความทุกข์กจริงอยู่ที่นั่น ที่นี่เธอเห็นพระตถาคตอย่างแท้จริงแล้วไม่ใช่หรือพระตถาคตแท้คืออะไรคือความบริสุทธิ์แห่งใจที่เธอเห็นแล้วนั่นแลที่พระตถาคตมาในร่างนี้มาในร่างแห่งสมุติตังหากเพราะพระตถาคตและพระอาหารหันต์อันแท้จริงไม่ใช่ร่างแบบที่มากันนี้นี่เพียงเป็นเรือนร่างของต ถ, ถาคตโดยทางสมุติตังหากท่านพระอาจารย์กาโทนว่าข้าพระองค์ทราบ พระตถาคตและพระสาวกอราหันอันแท้จริงไม่สงสัยที่สงสัยก็คือพระองค์ทั้งหลายกับพระสาวกท่านที่เสด็จไปด้วยอนุปาทิเสสนิพานไม่มีส่วนสมตุตดยังเหลืออยู่เลยแล้วเสด็จมาในร่างนี้ได้อย่างไรเพราะพระเจ้าตรัสว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งแม้มีความบริสุทธิ์ทางใจด้วยดีแล้วแต่ยังครองร่างอันเป็นส่วนสมุติอยู่ฝ่ายอนุปาทิเสสนิพานก็ต้องแสดงสมุติตอบรับกัน คือต้องมาในร่างสมมติซึ่งเป็นเครื่องใช้ชั่วคราวได้ถ้าต่างฝ่ายต่างเป็นอนุปาทิเสสนิพานด้วยกันแล้วไม่มีส่วนสมมติยังเหลืออยู่ตถาคตก็ไม่มีสมมติอันใดมาแสดงเพื่ออะไรอีกฉะนั้นการมาในร่างสมมตินี้จึงเพื่อสมมติเท่านั้นถ้าไม่มีสมมุติเสียอย่างเดียวก็หมดปัญหา